يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرنا انظرونا نقت بسم ن ل ن و ر ك م قيل ارجعوا وراءكم فلتمسوا نورا فضرب بينهم بسور الله باب باب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 ว่าทระบสตุมวาร تب ุมวกรดคุมอัลอาไมยุห์ حتّاجأ أمرالله وغرّكوا بالله الغرور พวกเขาพวกกลับกลอบจะร้องเรียกเขาทั้งหลายบรรดาผู้ศรทธาว่าพวกเราไม่ได้เคยอยู่ร่วมกับพวกเจ้าดอกหรือเขาทั้งหลายกล่าวว่าแน่นอน แต่ว่าพวกเจ้าได้ทำลายตัวของพวกเจ้าด้วยการกลับกรอกและพวกเจ้าคอยสิ่งที่เกิดขึ้นแกบ่บรรดาผู้ศรัทธาและพวกเจ้าสงสัยในเรื่องของาศาสนาและความหวังที่เลื่อนลอยได้หลอกลวงพวกเจ้าจนกระทั่งพระบัญชาของอัลลอฮ์ได้มีมาและมันชัยตอนได้ล่อลวงพวกเจ้าเกี่ยวกับอลัลลอฮ์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 ยังไม่ถึงเวลาอีกหรือสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่หัวใจของพวกเขาจะนอบน้อมต่อการรำลึกถึงอัลลอฮ และสิ่งซึ่งได้มีลงมาคือความจริงและพวกเขาอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ไดรับคำพีมาก่อนนี้แล้วช่วงเวลาได้เนื่อนานเกินไปแก่พวกเขาดังนั้นจิตใจของพวกเขาจึงได้แข็งกระด้างและพวกเขาส่วนมากจึงเป็นผู้ฝ่าฝืนออลลมมบ เพิ่งทราบถึงว่าแท้จริงอลัลลอฮ น, นั้นทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากที่มันแห้งแล้งแน่นอนเราได้ทำให้สัญญาณทั้งหลายแจ่มแจ้งแก่พวกเจ้าแล้วเพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้สติปัญญาไขขวด هم هم แท้จริงบรรดาผู้บริจาคชายและบรรดาผู้บริจาคหญิงและพวกเขาได้ให้อลลอฮ์ยืมบริจาคในทางของอลัลลอฮ์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 ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธองค์การต่างๆของเราชนเหล่านั้นเป็นชาวนารก كمثل غيث أعجب الخفر ا نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وغفرة م من الله ورضا و ن ว, ا إ ว่ามัลพายาตุ ا ل د อิลลามะตาอุลกรูรพึูทราบเถิดว่าแท้จริงการมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่อื่นใดเว้นแต่เป็นการละเล่นและการสนุกสนานร่าเริงและเครื่องประดับและความโอ้อวดระหว่างพวกเจ้าและเป็นการแข่งขันกันสะสมทรัพย์สินและลูกหลาน <aut> เปร <ans> ียบเสมือนดังน้ำฝนที่การงอกงามของพืชผล ยังความพอใจให้แก่กสิกรแล้วมันก็เหี่ยวแห้งเจ้าจะเห็นมันเป็นสีเหลืองแล้วในที่สุดมันก็จะกลายเป็นเศษชิ้นแห้งส่วนในประโลกนั้นมีการลงโทษอย่างสาหาัสและมีการอภัยโทษและความโปรดปรานจากอัลลอ์และการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากความสุขที่หลอกลวงเท่านั้น أ أ จงเร่งรีบสู่การขอพผ่โทษ จากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและสวนสวรรค์ซึ่งความกว้างของมันประหนึ่งความกว้างของชั้นฟ้าและผ่นดิมซึ่งถูกจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพรผงนั่นคือความโปรดปรานของอัลลอ์ซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วลอ้นั้นเป็นผู้ทรงโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ م م ا إ และจะไม่มีคราะหกรรมอันใดเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้และไม่มีแม้แต่ในตัวของพวกเจ้าเอง เว้นแต่ได้ถูกบันทึกไว้ก่อนที่เราจะบังเกิดมันขึ้นมาแท้จริงนั่นมันเป็นการง่ายสำหรับอัลลอฮฺเพื่อพวกเจ้าจะได้ไม่ต้องเสียใจในสิ่งที่พวกเจ้าต้องสูญเสียไปจากพวกเจ้า และไม่ดีใจต่อสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเจ้าและอโลอนั้นม่ทรงชอบผู้หญิงยะโสและผู้คุยโวโ อ, โอว้วนคือบรรดาผู้ตรรีและสั่งสอนคนให้ตรรี และผู้ใดที่ผิสหลังให้แท้จริงอัลลอฮนั้นทรงพอเพียงและทรงได้รับการสรรเสริญ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 และเราได้มีเหล็กขึ้นมาเพราะมันมีความแข็งแกร่งมากและมีประโยชน์มากมายแก่มนุษย์และเพื่ออัลลอฮ์จะได้ทรงรู้ถึงผู้ช่วยเหลือพระองค์และศาสนาทูตของพระองค์ด้วยทางลับแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงอำนาจว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 ثم قفينا على آثاره برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم و آ ت ي ن ا ه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة ورهبان يتنبتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ب ت غ ا ء ر ضوان الله فما رعوها حق رعايتها ف آ ت ي ن الذين آمنوا منهم أجرهم فأتين الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون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 ไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควรและเราได้ประธานรางวัลของพวกเขาแกบ่บรรดาผู้ศรัทธานในหมู่พวกเขาแต่พวกเขาส่วนมากเป็นผู้ฝ่าผินยาอ ي ه ا الذين آمنوا ت ت ق ม ا الله وأمنوا برسوله يؤتيكم ك ั ر ي ن من الرحمة و ي น ع ل لكم ن و บิฮ م วะยั ه ฟิ ظ ละ ل ุม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 لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا عَلَى فَضْلِ اللَّهِ يَقْدِرُونَ شَيْئِمْ مِنْ بِيَدِ الْفَضْلَ يُؤْتِيهِ الْعَظِيمِ اللَّهِ وَأَنَّ وَاللَّهُ دُلْفَضْلِ يَشَاءَ ทงนี้เพื่อชาวคัมภีร์จะได้รู้ว่าพวกเขาไม่มีอำนาจเหนือสิ่งใดในความโปรดปรานของอัลลอฮ และแท้จริงความโปรดปานนั้นอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของอัลลอ์ซึ่งพระองค์ทรงประทานมันเท็กซึ่งพระองค์จะทรงประทานมันแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วลอ้นั้นเป็นผู้ทรงกรุณาอย่างใหญ่หลวง